เทศนาแที่76ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคําในวันที่27สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่ามีเหตุมีผลวางตนให้ถูก วันนี้เป็นวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2558วันนี้เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเรากคงจะได้ไปคารวะหลวงปูล่ลีกุศลทโลวัดป่าพ้าแดงแล้ว ก, หววกวว็หลวงปู่เพ่งวัดถ้ำของเพนแล้วไปคารวะพระเจดีหลวงปู่ขาว วัดถำกองเพลนแล้วก็คงจะแยกย้ายกันวันนี้นะแต่รถที่จะไปหลวงพ่อก็ได้ ก, กะเกณไว้แล้วละ่ะทางในครัวก็ช่วยช่วยกันดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวรถคันไหนบ้างที่จะไปแต่วัยฝ่ายพระเนี่ยก็องไหนที่ไปแล้วไปกราบหลวงปู่ทุยที่คราวที่แล้วแล้วนะก็ควรจะเปิดโอกาสให้หมู่องที่ยังไม่เคยไปได้ไปแต่ถึงยังไง หลวงพ่อจะให้ได้ไปทุกองทุกอ ง, กองเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาคงจะมีรอบอีกรอบหนึ่งคงจะไปคารวะเจ้าคณะอําเภออำเภอน้ำโสมแล้วก็หลวงพ่อคําสดบ้านเพิ่มแล้วก็หลวงพ่อชาลีอันนั้นคงจะเอารถบัสใหญ่ให้พระไปทุกองแต่ทุกองไหนต้องการไปอันนั้นเพื่อการ เรียนรู้เพื่อการศึกษาหมดน้ำํำหัวตามประเพณีของพระกรรมฐานอันนี้ก็คงจะเป็นรอบหนึ่งเพราะนั้นขอให้พระทุกององค์ที่ไม่ได้ไปคราวนี้ก็ให้รอรอไปก่อนอีกไม่นานนะมัน <c oughs> เราคงคงได้ไปอีกรอบที่ที่สามนะแต่ถึงอย่างไรพวกเราทุกทุกท่านการอยู่ด้วยกัน จะเป็นสมาคมของโลกหรือสมาคมกลุ่มใดก็ตามยุคใดก็ตามถ้ายุคใดสมัยใดชุมชนสังคมอยู่ด้วยเคารพด้วยเคารพหลักเหตุผลอยู่ด้วยกันด้วยละด้วยเหตุด้วยผลคนในชุมชนยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าหากว่าชุมชนกลุ่มใดในยุคใดสมัยใด ไม่เขารบกติกาไม่อยู่ในกรอบเหตุและผลฟังแล้วก็พูดแล้วก็ไม่ฟังกันมีแต่ดันทุลังมีแต่ใช้กิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมีแต่ความโลภอยู่ในจิตใจความโลภเนี่ยใครฟังยังไงพูดยังไงมันก็ไม่ฟังนะเพราะมันโลภอยู่ในจิตใจมีแต่อยากได้อย่างเดียวมีแต่เขาแนะนำเหตุผลให้ฟังอย่างไร ก็ไม่ยอมไม่ยอมฟังไม่ยอมฟังเหตุและผลเวลาโกรธแล้วก็เหมือนกันเวลาโกรธขึ้นมาเลือดขึ้นหน้าแล้วก็ใครแนะนำสั่งสอนยังไงก็ไม่ยอมฟังอีกเหมือนกัน เ, เวลาหลงก็เหมือนกันเวลาหลงเรื่องอะไรก็ตามหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงอะไรก็ตามถ้ามันหลงเข้าไปแล้วนะ่ะมันมืดมนอ น, อนตรการไปหมดเพราะเหตุหายเพราะกิเลส มันอยู่ในจิตใจของปุถุชนทั้งหลายผะนั้นถึงยังไงก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงเราจะอยู่ในชุมชนในสังคมในยุคใรสมัยใดควรจะมองตนมองตัวให้ดูตนเองมองคนอื่นแล้วก็ใช้หลักธรรมเขาเราเราเขาเขาเรา อย่าไปใช้แต่เรื่องของตัวเพราะโลกอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเรามันมีหลายหลายคนจนเป็นชุมชนสังคมขึ้นมาเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันเราจะเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เมื่อเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ต้องฟังเสียงพ่อแม่แต่เมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องฟังเสียงครูบาอาจารย์ ในเมื่อเราอยู่ในชุมชนกลุ่มใดอยู่กับเจ้านายอยู่กับผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องรู้จักการเคารพผู้บังคับบัญชาในชุมชนกลุ่มนั้ น, น, นแต่หากว่าใครก็ตามไม่อยู่ในกฎกติกาไม่อยู่ในกฎกระเบียบไม่อยู่ในกฎหมายไม่อยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินัยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้สรุปแล้ว มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความระวัดระแวดระวังอยู่ด้วยกันด้วยไม่ผาสุกเพื่ออะไรเพราะเราไม่อยู่ในหลักเหตุและผลมีแต่เปลียนปีนเกลียวกันอยู่เรื่อย น, นนะจะหาความสงบสุขได้อย่างไรผลนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมันยุตาความเป็นผู้รู้จากเหตุเหตุนี้มันมาจากไหนมันเป็นอย่างนี้ ทำมัญญูตาอัดฉันทูตาความเป็นผู้รู้จักผลผลมันออกมาอย่างนี้มันเป็นเหตุอะไรมันเป็นยังไงจึงมันเป็นผลออกมาอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีเหตุมันต้องมีผลนี่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ใช้ปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาจะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลดันทุลังไปเรื่อยหลับหูหลับตาไปเรื่อย อมีแต่ความโลภโกรธหลงในจิตในใจแต่ถ้าว่ามู้ผู้มีธรรมมีธรรมในจิตใจเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็รู้จักว่า อ, อทำมันยุตาทำเป็นคําเป็นผู้เป็นผู้รู้จักเหตุเหตุอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจเราจึงทุกข์เราขี้เกียจ เ, เราจึงมีผลอย่างนี้ เ, เราโมโหขึ้นมา อไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลโกโรธให้เขานะมันจึงมันผลจะท้อนมาอย่างนี้นี่แหละมันต้องมีมันต้องมีเหตุซะก่อนนว่านมันยุตตาอัตถันยุตาเป็นผู้รู้จักผลผลมันออกมาจากอย่างนี้เป็นยังไงอจากนั้นอัตถันยุตาให้รู้จักประมาณตนเราว่าอโดยชาติตระกูลของเราเราเป็นอยู่อย่างนี้ การดํำรงชีพของเราเราจะเดินอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องอันนี้เราว่าอัตตัญญุตามัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคสมมุติว่าเราสสแสวงหาทรัพย์มาได้ขนาดนี้การเป็นอยู่อย่างนี้อย่าไปใช้เกินตัวอย่าไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยอย่าไปใช้แบบลืมตัวให้รู้จักประมาณตน ให้รู้จักประมาณมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่การัญญุตาการอย่างนี้เวลาอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรสมัยเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นเด็กเรากำลังเร่งในการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆเราก็จะต้องเรียนจะต้องศึกษาเราจะไม่เที่ยวไม่เตรในขณะที่เรากาลังวัยเรียนวัยศึกษาอย่างพระของเราก็เหมือนกันเข้ามาศึกษาเนี่ย การอย่างนี้เมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนามาอยู่กับวัดหลวงพ่อไม่ใช่ว่าให้พวกท่านทั้งหลายไปเที่ยวทะเลถลายเที่ยวเตรไม่ใช่ให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษา อ, อนึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการอย่างนี้การการเวลาอย่างนี้การลันยุตาป ร, ริสัญยุตา ประชุมชนเมื่อเราเข้าไปหาประชุมชนประชุมชนกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปหาเราควรจะวางตัวอย่างไรควรจะแสดงอากับกิริยาอย่างไรในชุมชนเมื่อเขาเมื่อเราเข้าไปหาในชุมชนอย่างนี้อันนี้เลยว่าปริสันโุตา้าปุกระประโรปรัญโยตาให้รู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบอันนี้จานียก็สําคัญเหมือนกันนะ เมื่อเราเข้าเราเราเข้าไปหาบุคคลคนคบอันนี้เป็นกรรยาณมิตรหรือไม่หรือเป็นปาปะมิตรถ้าว่าเป็นปาปะมิตรเราไปมิตรไปครบมิตรชั่วเราก็พลอยชั่วไปด้วยถ้าไปคบกรรยาณมิตรถ้ามิตรที่ดีหมู่พกเพื่อนก็แนะนําสั่งสอนไปในทางที่ดีก็เป็นคนดีไปได้แต่ถ้าเราคบมิตรชั่วเพ้อเผ้อไปคบ คนที่ขายยาบ้ายยามาคันชายาาฝิ่นเข้าไปเออเห็นเนได้เงินง่ายวะ่ะ เ, เราก็เลยไปคบกับเข า, เาคบปาปะมิตเน่ผลที่สุดก็เลยติดคุกติดตารางเสียกิติศัพท์ชื่อเสียงปนปี้ไปหมด เ, เพราะเหไรเพราะเราไม่รู้จักในการครบค้าสมาคมนี่ว่าปุขระประโรปรันยุตา ในท้าที่หลวงพ่อเนี่ยพูดให้มาทั้งหมดทั้งเจ็ดข้อเนี่ยนหะลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยสรุปแล้วคื อ, คอให้ใช้ปัญญาเนี่ยให้ใช้ความรอบคอบให้อยู่ในหลักเหตุผลถ้าคนเราอยู่ในหลักเหตุและผลแล้วมีแต่ความ ส, สงบพร้มเย็นเป็นสุขคาว่าเหตุผลคำนี้นะ่คืออะไรนะหลวงตามหาบัวเนี่ยสมัยลหลวงพ่อเขาไปศึกษาหลวงพ่อเอเสเหตุผลเนี่ เราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานเป็นมาตรการกับว่าเหตุและผลคํานี้บางคนก็เอาเหตุผลของผมปไปเหตุผลอ้างเหตุผลใครอ้างเหตุผลเราเอาแต่หลวงตามหาบั ว, วเหตุผลที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดเนี่ยอันนี้คือหลักเหตุผลที่แน่นอนที่ถูกต้องอแต่ส่วนอื่นเราก็ต้องยกตัวนี้เป็น เป็นมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์ไว้ถ้าหากว่ามันเป็นเข้าขายในลักษณะอย่างนี้ไปว่านั่นะเราอยู่ในหลักเหตุและผลบางทีมันก็นทะเลทไลายไปบ้างบวกผิดบวกถูกไป น, นิดๆหน่อยๆก็ยังพอหยนนะถ้าบวกจนตรงกันข้ามไปเลยอันนั้นไปว่าน อ, น, อ น, อนอกเหนือจากเหตุผลรับกันไม่ได้ น, ะนี่แหละ ในหลักธรรมคาสอนที่พ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเอาหลักธรรมคาสอนมาสาธกมันหรือมาเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราอยู่ในกรอบในหลักในหลักเหตุและหลักผลตามหลักธรรมสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาเนะี่ยคนที่โง่เง่าเต่าคุณนะจะมองไม่เห็นนะ เหตุอย่างนี้มาอย่างนี้ผลอย่างนี้ไปอย่างนี้จะมองไม่รู้นะแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาจะมองเหตุได้จะรู้ได้ว่าธรรมัญญาตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลของเราขนาดนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรมัตตัญญุตาการเป็นอยู่ของเรา เงินเดือนของเราตระกูลของเราทรัพย์สมบัติของเราเพียงขนาดนี้เราควรจะบริหารจัดการการเป็นอยู่ของเราอย่างไรอันแน่นอนมัดตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่แล้วก็การันยุตารู้จักการเวลาปฏิสันยุตารู้จักประชุมชนปุคระประโรปรันยุตาให้รู้จักบุคคลควครคบหรือไม่ควครคบเป็นกระยาณมิตรหรือเป็นปลาปมิตรนี่แหละ หลักรมคำสอนของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะนาาาญญาักทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะ้ะให้ใช้กฎเกณฑ์นี่แหละถ้าเราไปอยู่นะสถานที่ใดอยู่ณนะที่ใดชุมชนกลุ่มใดถ้าเรามีทมทั้งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเนี่ยพวกเราอยู่นะสถานที่ใดวางตัวถูกทั้งหมดอยู่ด้วย อ, อ, อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับครูบาอาจารย์ อยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับใครใครรู้จักการวางตัวแล้วนั่นแหละความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆท่านนะแต่ถ้าว่าวางตัวไม่ถูกแล้วก็ น, นั้นแหละเกะกะละลานไปหมดละขวางาขวางเป็นหมดขวางโลกผลในสุขกับขวางตัวเองผลในสุขก็นั่นแหละผลในสุขลืมตัวเองยังไม่รู้ว่าข้าทำผิดหรือข้าทำถูกอีกต่างหากนะพหหาเพราะหะไรเพราะ ไม่ได้ตรวจตราดูตนเองเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือการวางตัวในการเป็นอยู่ในชุมชนสังคมแต่วางตัวในอ น, อนาคตนะอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะอันนั้นวางอีกแบบหนึ่งนะการบริหารจัดการภายนอกอีกอย่างหนึ่งนะการบริหารจัดการภายในของตัวเองอีกเป็นส่วนตัวอีกต่างหากบริการจัดการยังไงหลวงพ่อการบริหารจัดการกับตนเอง ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะคำว่าเกิดอีกคํานี้แหละเราต้องศึกษานะท่านนี่ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธทีเดียวหรือเราจะเชื่อทีเดียวไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะเราจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้นะเราต้องศึกษาแหละท่านนี่เมื่อเราศึกษาเราก็รู้จักวิธีการหลบปลีกว่าเราจะวางตัวยังไงในอนาคตที่ มรณะภัยแล้วว่าจุดจบของชีวิตมาถึงสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่านนะสรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านประพฤติธปฏิบัติมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อได้ศึกษามาเนี่ยท่านยืนยันหัวเด็ดตีนขาดเลยตายแล้วเกิดแน่นอนตายแล้วไม่ศูนย์นรกสวรรค์มีจริง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอถ้าไม่เชื่อก็ทดลองเลยสิปลุกปัป่บขึ้นมาเดี๋ยวนีนะ้เอาค้อนไปตีหัวเขา้าเอามีดไปฟันกันเข้าในขณานีนะ้ตำรวจเขาก็จับเข้าคุกทันทีแล้วนี่แหละเอทำชั่วไปได้ชั่วได้เหรออทำชั่วมก็ต้องได้ชั่วและทำดีละ่ะฮะเอทำดีนะ่อย่างหลวงพ่อแสดงทำให้ฟังนะเนี่อพูดอะไรเป็นศีลเป็นทรรให้พวกคณะสัทธาญาิโจมลูกหลานฟังเนะี่ย พอพอดพอหลวงพ่พอพ่อพูดจบแล้วก็ซาทุฮนงะให้สิทธิ์ให้พรจบแล้วก็ซาทุ่นะเพื่ออะไรเพราะว่าหลวงพ่อพูดเป็นศีลเป็นธรรมพูดมีหลักมีเหตุมีผลพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าพูดไม่ถ้าพูดไม่ถูกหลวงพ่อพูดไม่ถูกพวกท่านทั้งหลายก็คัดขานขวางอีกเหมือนกันนะเอะหลวงพ่อพูดไม่ถูกว่ะคํำนี้นะแต่ทีนี้ยังไงก็ยังไม่เถียงนะในขณะที่เราฟังอยู่ แต่ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยคอยมาถกมาเถียงมาแสดงความเห็นให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมตรงพ่อก็จะต้องชี้แจงให้กับคณะทศไทา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ฟังอีกอืถ้าหากว่าในเรื่องนั้ น, น, น่ยังไม่เข้าใจแต่ยังไม่เคยมีนะพอหลวงพ่อพูดไปแล้วก็พันผ่านไปพอหลวงพ่อก็ก่อนที่จะพูดก็ต้องอ้างหลักเหตุผลในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้า หลักทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้างหลักเหตุและผลในการเป็นอยู่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป้าหมายนะเป้าหมายคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหลวงพ่อจะเลงจุดนี้ทุกครั้งที่จะพูดอะไรออกไปนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จจ้าุโมธนาให้พรนะัท่นนี้นะรับพร